ดุดากูกเข็นขับไล่แ้่เราจะชมเชยสรรเสริ ญ, ญผู้ที่ควรแก่การชมเชยสรรเสริ ญ, ญอย่างอื่นเราเป็นไปไม่นด้อนอนน่ะฟังที่พุทธคดีนี่นะพุทธคดเราเล่นเป็นภาษาบาดีมะเราไม่ได้วันอะไรเลยเรากราบทำเราจะท้าพุทกราบทำเท่านั้นนอน ทำไเป็นสิ่งที่เลือโลกทำเป็นสิ่งที่เหนือโลกเรากระทำเท่านั้นเราถือทำเป็นจิตใจเราปฏิบัติ บ, ตบเาเพ็ญธรรมแลรู้เราก็รู้ธรรมเราจึงเคารพธรรมเนี่ยพุทธพจน์เราได้อ่านูรู้สึกมันหายไปแล้วส ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงมีความหนักแน่นในธรรมจิตใจให้หมุนเข้าสู่ธรรมหยาดอยู่เสมออย่าให้กระแสของโลกทั้งหลายที่เป็นกิเลสนั้นก็ามาเหยียบย่ําทําลายรู้ยแย่ก่อกวนจิตใจซึ่งลวนแล้วเป็นตั้งแต่เป็นกระแสของกิเลสทั้งนั้นอย่าให้เข้ามายุ่ยแยก่ก่อกวนพัดผันจิตใจ เรากำลังประครับประคองรักษาด้วยเรื่องความเพียรของเราในขนาดที่เราเป็นเราตายอยู่แล้วเพื่อทําเท่าไหลายเราจงเห็นโทษอยู่เสมอยาชินชาต่อสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายหทําความเข้าใจกันอยู่เสมอจึองจะสมนามว่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความมีสติเรื่องความมีสตินี้คือควา ม, มรู้สิ่งที่เป็นภัยเป็นคุณอยู่กับตัวเสมอไป อะไรเป็นภยัยอะไรเป็นคุณต้องรู้ต้มัดระวังต้องกาจัดสิ่งที่ควรกาจัดต้องพยายามส่งเสริมรักษาหรือบารุงสิ่งที่ควรบารุงคือใจของเร า, าได้เป็นสมบัติสองเจ้าของนี่เคยพูดแล้วเคยเขียนในหนังถือก็เคยเขียนในกินเลสนั่นั่ะครองใจมาเป็นเวลานา น, าน เราเองไม่อาจสามารถที่จะนับถ่านเรื่องพบชาติตัวดแก่จิตตายในพบน้อยพบใหญ่กําเนิดต่างๆได้จนกระทั่งบัดนี้ว่าเป็นมานานเท่าไหร่นิรวนแล้วตั้งแต่เรื่องของเกเรตนาอาสวะพาให้เกิดทห้ตายให้ทุกข์ให้ลําบากซึ่งว่นวาตั้งแต่เป็นตัวภัยทั้งนั้นไม่ว่าจะกําเนิดเกิดในพบใดความความทุกข์ต้องมีอยู่ในทุกพบทุกชาติไม่มากก็น้อยเพราะความเกิดกับความตายมันเป็นคู่กัน ความเกิดกับความทุกข์มันจึงมาด้วยกันดูข้างนาฏิอชาตัสะทุกข์จะไม่มีเฉพาะผู้ไม่เกิดเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ลบล้างกันไดอย่างไม่มีอะไรเหลืเลยถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นเชนั้นทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะความเกิดความเกิดมีสาเหตุมีกําหนดมาจากไหนมีกำเนิดมาจากอวิชชาตัวลุ่มหลงสําคัญอยู่ภายในจิตฝังลึก จนจิตกับวิเลตประเภทที่ให้ เ, ททเป็นเชื้อสาเหตุที่ให้เกิดนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างแน่ไดยเลยจึงต้องใช้ความพยายามเอาให้เป็นที่เต็มฐานแต่มเม็ดเต็มหนดเป็นก็เป็นตายกว่าตายถึงข้าวเล่งต้องเร่งถึงข้าวนักต้องหนักถึงข้าวสู่ต้องสู่้ <c oughs> ถึงขา้าวรถยนต์ผ่นผันมันหักมีมันหัรู้ในตัวเองนั่นแหละเขาจะเข้าใจว่าการรถยนผ่อนผันนั้น เป็นการคลี่คลายเป็นการผ่อนตัวโดยความคิดเฉยๆทั้งๆที่เหตุผลหรือจังหวะไม่อำนวยอันนี้ก็เถอตัวได้เหมือนกันผู้ปฏิบัติจะทราบตัวเองว่าความพักผ่อนหรือความคลี่คลายอันนี้ความถูกควาสบายบ้างใ น, น ก, ก, การประกอบความภาคเพียรหรือความเหนืย่ย ความพักของจิตก็คือเข้าสู่ความสงบเย็นใจมีเวลาออกรอบกับข้าสุดด้วยสติปัญญาก็ต้องหมุนให้เต็มที่เต็มฐานยาจะได้อะไรความทุกข์ให้ถือเป็นสัจจะธรรมยาถือเป็นเรานี่เป็นหลักความจริงเป็นหลักธรรมความถูกต้องทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในกายเป็นสำขัญที่เห็นได้อย่างเดินๆอันหนึ่ง ทกขึ้นที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจย่อมรับช่วงองค์ประา ก, กายนี้เข้าไปเพิ่มภายในจิตใจนี่ปรกันทุกขี่ผิดกิเลส ข, ขึ้นมาเหยียบย่อมทําลายจิตใจโดยร่างกายไม่มีโรคภายถ้าเจ็บเราเหยียบอย่างนีน้นั่นเป็นทุกข์พระกิเลสรุ่นรุนทุกข์พระธาตขันอันเป็นสาเหตุ ท, ที่จะให้เกิดกิเลส ข, ขึ้นมาคือ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 เมื่อเราถือว่าเราเป็นทุกข์แล้วก็จะมีความรักความสมหวังในตัวเองไม่อยากให้เป็นทุกข์ถ้ามไม่อยากให้เป็นทุกข์ก็เป็นนี้เพราะตัณหาเลยหาความจริงไม่ได้เพราะไม่มีทางที่จะพ้นคว้าหาความจริงตามหลักความจริงที่ว่าทุกข์นั้นคือความจริงล้วนๆตามหลักสัจธรรมผู้ปฏิบัติถ้าได้เห็นความทุกข์เป็นความจริงล้วนๆประจักษ์กับจิตใจแล้วทุกข์จะเกิดมากน้อยเพีงยงไรก็าตาม จะไม่สามารถเสียมตั้งทำลายจิตใจหรือทําจิตใจให้เองเดียงได้เลยนี่เคยปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่มาคุยให้เพื่อนฝูงฟังเฉยๆเราได้ปฏิบัติมาแล้วประจัดใจเยื่งกล้าพูดให้เพื่อนฟั ง, งโดยไม่ต้องพูดถึงว่าการโอ้อวดไม่โอๆๆ้อวดเราพูดตามหลักความจริงสอนมูอเพื่อนด้วยหลัะตามหลักความจริงด้วยเจตนาหวังเกิดประโยชน์แก่หมู่เพื่อนสมกับผู้ตั้งใจมาอบรมศึกษากับเราเพูดภาษาเป็นเม็ดเป็นหน่วย ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาหลายด้านหลายฐานเกิดขึ้นมาเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแต่เพิงสร้างวัดก็คือทุกขเวทนาประเภทเดียวกันที่เรียกว่าสัตธรรมนั่นเองทุกเกิดขึ้นด้วยการเจ็บที่นั่นปวดที่นี่หรือทุกเกิดขึ้นเพราะการนั่งนานเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสัตธรรมให้ถือทุกนั้นเป็นจุดเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณายอกย้อน ถึงใจถึงกายที่ทุกเข้าไปาพาคผิงที่ทุกอาศัยเกิดขึ้นกับกายส่วนใดร่างกายส่วนใดเห็่ปวดแขงปวดขาปวดอวัยวะต่างๆจุดไหนเป็นจุดที่เด่นกว่าเพื่อนที่สุดบรรดาทุกข์ที่เกิด ข, นนขึ้นในร่างกายนั้นให้ถือจุดนั้นเป็นจุดตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะกขยายดู เรื่องของทุกข์ให้ชัดเจนกําหนดดูทุกข์ไม่มีอาการอย่างใดเลยมีแต่เรื่องความทุกข์ส่วนร่างกายให้มีอาการต่างๆเอาเทียบเคียงกันดูทุกสัดทุกส่วนแล้วนอกจากนั้นก็ย้อนเข้ามาถึงอีกสามอย่างนี้แหละสําคัญมากแยกแยะดูความจริงไม่ต้องปรารถนาไม่ต้องอยากให้ทุกข์ดับไปความอยากนั้นเป็นปัญหาจะเป็นการเพิ่มทุกข์ขึ้นให้มากขึ้น แล้วไม่สมบังแทนที่จะเป็นมากคือข้อปฏิบัติกำจัดทุกข์ให้คลาดจากใจหรือเระงับลงท้งร่างกายเลยกลายเป็นเรื่องทุกข์มีกําลังมากทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้ายากให้ทุกข์หายเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องอยากเวลาทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่อยากมันก็เกิดขึ้นได้ เราจะพิจารณาทุกข์ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันโดยแยกแยะ ท, ที่มันเกี่ยวข้องตรงไหนมันถึงจะแสดงทุกข์ขึ้นมาร่างกายของเราส่วนไหนดูให้ดีเจตจะต้องหมุนเตี้ยวเตี้ยวคือปัญญาเนี่ยคำว่าจิตหมุนเตี้ยวๆค้นหาเหตุหาผลทุกปรากฏขึ้นมากเท่าไหร่จิตยิ่งจะหนีจากจุดนั้นไม่ได้ต้องหมุนเตี้ยวเตี้ยวอยู่ภายในกัน จึงเรียกว่ากำหนดสัจธรรมพิจารณาสัจธรรมรบกับข้าศึกแยกดูกายที่สำคัญว่าเป็นทุกข์อาการใดแยกดูเวทนาเห็นชัดเจนมันก็สักแต่ว่าทุกข์อยู่เท่านั้นมันมีความหมายสิ่งใดตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนร่างกายก็แม้จะว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายของตนผู้ใดเป็นผู้ไปให้ความหมายว่ากายเป็นทุกข์ ทุกเวทนาตากฎตัวอยู่นี่ว่าเป็นทุกใครเป็นผู้ไให้ความหมายนี่ถ้าไม่ไปจากสัญญาอารมณ์ของเรานี้จะเป็นอา้ายไปนี่มันก็ไม่พ้นที่จะต้องย้อนเข้าไปดูจิตอา้าถ้ามาจิตเป็นทุกจริงๆดูให้ใหดีดูด้วยปัญญาดูด้วยการสอดส่องดูด้วยข้อสังเกตในขณะนั้นอย่าดูเผลออย่าดูอยากให้รู้ให้เจอความดูอยากให้รู้ไม่ใช่ดูหาคัามจริงไม่ต้องอยาก ให้ค้นหาความจริงให้เจอเท่านั้นเนี่ยนี่เป็นหลัก ก, กลางๆเป็นมัตติมาแท้ถ้าเอาความอยากเข้าไปตั้งในจุดใดจุดนั้นจะเป็นสมุทัยขึ้นมาจนได้เพราะฉะนั้นทุกจะเกิดขึ้นจนถึงกับร่างกายจะแตกอเอาแตกไปเรื่องความแตกกับความการผสมตัวเข้ามาเป็นก้อนนี่มันเป็นธรรมชาติของมันซึ่งเป็นของคู่กันมันรวมตัวได้มันก็กระจายตัวได้ แต่อย่างไรก็ตามขอให้รู้ความจริงที่มันอยู่ในระหว่างห่งสิ่งทั้งสองทั้งสามที่ผสมกัน อ, อย่างชัดเจนด้วยปัญญาจึงดูให้เห็นชัดเจนเรื่องของร่างกายมันเจ็บปวดที่ตรงไหนดูให้มันเห็นชัดเจนกระทั่งว่าหนังก็สักแต่ว่าหนังชัดด้วยปัญญาจริงๆเนื้อสักแต่ว่าเนื้อเอ็นกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายสากแต่ว่านั้นๆเท่านั้นไม่เห็นเขานิยมว่าเขาเป็นทุกข์แม้ทุกข์จะเป็นเหมือนฝุ่นเหมือนไป เากม็มีความหมายในเขาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกตัวทุกเองที่กําลังแผละเผาอยู่นั้นมันก็ไม่ทราบความหมายของมันด้วยมันก็ไม่ทราบว่ามันได้ทําให้ผู้ใดเป็นทุกข์ด้วยใครเป็นผู้มาให้ความสํองการมันหมายกับสิ่ง น, นี้ย้อนดูจิตให้มันเห็นชัดเจนแล้วจะไม่พ้นกัมหรือข้ามมาดูจิตก็ให้เหมือนกันกับเราดูกาดูเวทนาดูด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยสติดูด้วยความอยากรู้ความจริงดูให้เห็นความจริง แล้วจิตก็จะมีตั้งแต่ความรู้เฉยๆเวลารู้ออกมาจริงๆความรู้นี้กับเวทนานเป็นอันเดียวกันได้เหรือถ้าว่าความรู้กับเวทนากับกายที่เป็นอันเดียวกันเวลาทุกเวทนาดับไปแล้วทําไมจิตมันยังมีอยู่ล่ะนีถ้ามันเป็นอันเดียวกันนี่จิตมีอยู่ตั้งแต่วันเกิดทุกเวทนาหน้านี้เพิ่งเกิดมาในขณะนี้เท่านั้นถ้ามันเป็น อ, <fut. S 2> อันเดียวกันทํำไมมันไม่เกิดมาตั้งแต่นอนพร้อมกันแล้วมันดับไปได้ยังไงนั่นไม่ต้องดับเพราะจิตไม่ดับเนี่ยนี่มันไม่ใช่อันเดียวกันนี่รืยังไ มหมุนกันอยู่นั้นความอยากให้ให้หายยาเอาเข้าไปเกี่ยวข้องกันนังขาะถ้าไม่อยากเพิ่มความทุกข์ขึ้นมามากและเป็นการสั่งสมที่เรียกคือสมุทรไทยให้พอกทูนขึ้นในจิตใจเดี๋ยวไหนไปไม่รอดแม้เวลาจะตายก็ก็จะเสียท่าผู้เช่นนั้นผู้ติดตั้งใจดูสัจธรรมนี้แหละเป็นผู้ศิรษะได้ชาญนะหึืทรงตัวรา้ตลอดไปจนกระทั่งพวสานแม้ไม่ทิ้งกิเลสในขณะนั้นกตากก็เป็นผู้ทรงตัวได้ด้วยสติปัญญา สติปัญญาเป็นสำคัญที่จะประคองจิตใจไปเรืย <c oughs> ได้ด้ยความปลอดภัยยิ่งจินมันหลุดพ้นแล้วไม่ต้องคูดละพูดไปอะไรมีความการฝึกขัดตนเองต้องมีความแก้กล้ามีคสามารถอย่เสมออย่าทําจิตให้อ่อนแออย่าเห็นสิ่งใดในโลกนี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมหรือยิ่งกว่าความรู้ความเห็นที่เราจะปลดเรื่องกิเลสอาสวะที่ผูกพันอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ ลดน้อยลงไปเดยลำดับจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนี่แหละคือสมบัติอันประเสริฐได้แก จ, จิตที่รุ่ดพ้นหรือนด้แก จ, จิตที่มีคุณธรรมสูงขึ้นเป็นลําดับลำดับเหมือนกับเรามีสมบัติที่มีค่ามากโดยลําดับลำดับนะแล้วยิ่งมีมากเท่าไรก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นเย่งกระทั่งจนเพียงถึงเมืองพอจิตเอาทําใหถ้ถึงเมืองพอเราอย่าไปหวั่นไหวกับโลกธรรม ใใซึ่งเคยเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วในโลกนี้เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจิดตายความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาทุกเพศทุกวัยทุ ก, กําเนิดของสตวหาความสุขความสบายไม่ได้เราจะไปหาความสุขในโลกนี้หาที่ตรงไหนมันไม่เจอเพราะมันมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ทางกายก็เป็นทุกข์การยินเส่นขลขวาก็เป็นทุกข์การอยากได้อยากล่ำอยากรวยอะไรก็เป็นทุกข์สมมุติขึ้นมาอะไรก็ปิดกันนั้นแม้แต่กระดาษ อย่างเขาสมมุติว่าธนาบัตรไปละร้อยละพันนี่เราก็ทาบดีชัดๆดอา ก, กระดาษมันก็นยงังหลงจนตาเป็นเฟืนเป็นไฟโลกกันโลกว่าถจนดูไม่ได้จนกระเทือนโลกโกรธจนกระเทือนโลกมันมันมีความสุขหลือความโลกมันก็เป็นไฟอันหนึ่งขนาดที่อยู่เฉยเฉยเหมือนเรานั่งเฉยไม่มีโรคภัยอะไรขึ้นจะเกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วยังมีผ้าความผาสุขภายในร่างกายลองโรคที้ได้เกิดขึ้นดูสิกายจะต้องหวั่นไปต่าง อันนี้กิตจตัวเฉยไม่มีโรคชนิดหนึ่งเช่นความโลภเป็นต้นเข้าม า, มาหักหัวมือเข้ามาโจมตีเข้ามาทำลายกิจใจก็ปกติเมื่อสิ่งอย่านี้เข้ามา น, นี้กิจใจต้องเป็นพื้นเป็นไฟไต่างเดือดร้อนมุ่หวายเราต้อง ไ, ไม่เห็นโทษของมันเลยความโกรธมันก็เป็นเงาตามตัวไปนั่นแหละกับความโลภเมื่อไม่ได้อย่างใจหวังมันก็โกรธโลกนีอันนี้ เป็นหัวใจเมียนนี้เป็นใหญ่ภายในจิตใจเมื่อโลกมียนนี้เป็นใหญ่ภายใจิตใจแล้วโลกไหนคนไหนตายใดจะมีความสุขเพราะธรรมชาตินี้ก็คือฟืนคือไปอยู่แล้วเมื่ออยู่ที่ตรงไหนต้องแผดเผาที่ตรงนั้นให้เยี่ยมให้เยียมไปหาความสุขความสบายมาได้จนกระทั่งวันตายถ้าอันนี้ยังพอกพูนยังหัวใจตายก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลยตายด้วยความห่วงความใยความหึงความหวงทุกสิ่งทุกอย่างไปได้วยความกังวลหุ่นวาย ก็แพดเผาไปเรื่อยๆถึงพบหน้าเลยหาสาระที่จะยึดถือในขณะตายไม่ได้เลยเพราะหลงทั้งหมดว่าเป็นสาระผลนตั้างที่มันไม่มีสารุณลชวนธรรมที่เป็นสารคุณด้วยความดีงามทั้งหลายที่เป็นสารคุณอันเป็นสมบัติให้ความชุ่มเย็นให้ความไม่วางใจให้ความตายใจได้ได้อย่างแท้จริงเราไม่ทังสมมันจะ ได้ความไม่วางใจเจ้าของได้อย่างไรได้ความอบได้ที่ไหนปะะนัญหาการสร้างความดีขึ้นภายในตนนี้เดิเป็นสิ่งสําคัญสําหรับมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้ฉลาดแต่พราะยางยิ่งเราเป็นพระเป็นนักปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่เสมอที่จะยกเราให้พ้นจากทุกข์เมื่อเราได้ยึดหลักมัชฌิมาเป็นเส้นทางลำเลยียงหรือเป็นเครื่องมือปราบปรามที่เลื กิเลสมันจะหนานแน่นมาจากที่ไหนก็เกิดที่หัวใจเท่านั้นขอให้ผลิตปิติบรรดาขึ้นให้เฉียงพอกับกิเลสแล้วมันจะหมอบเล่าไปกิเลสตัวใดได้หมอบลงไปหรือลดน้อยลงไปความสุขจะปราปกฏขึ้นมานี่แล้วพอเห็นโทษของมันแล้วกิเลสประเภทใดที่ปราปกฏตัวออกออกมาในความรู้สึก เจ้าของจะเริ่มมีความไม่สบายมีความว่างความไหวความผิดปกติขึ้นทันทีทันใดถ้ามันแสดงขึ้นมากก็ยิ่งแสดงให้ผิดปกติมากระงับมันลงไปด้วยสมาธิด้วยปัญญาสับตาความเปลี่ยนในมากคน้อยเราจะเห็นความสุขความสบายซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างชัดเจนและในขณะเดียวกันก็เห็นโทษของคำวุ่นวายของคำเดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลส บีบบางท่านหวัวใจ <c oughs> นี่ก็เป็นหองเมู่เพื่อนแล้วบาทีต่อไปจะไม่มีเวลาว่ามันไม่หวังอ่ะเลยเราพูดเชียวเป็นที่เข้าใจตั้งใจจะคิดปฏิบัติเรามีงานอันเดียวเท่านี้ไม่มีงานอันใดพระที่เป็นงานแท้งานเป็นสาระกุณ งานแก้กิเลสถอดถอนกิเลสนี้เนะี่ยเป็นงานของเราแท้ถอนเปลี่ยนถอนน้ําคือกิเลสทั้งปวงออกจาก จ, จิตใจตามสติกําลังสติปัรดาของตนมีเป็นความชอบธรรมตามหลักปุถุตเจ้าเราให้คิดย้อนหลังไปถึงปุถุตเจ้าประสงค์สาวกท่านเมื่อจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอหรือท้อถอยมาคิดท่านถึงท่านตามที่เราลึก นึกน้อมท่านเป็นสารณะอยู่ตลอดเวลาว่าพุทธังส น, นังกระฉามีสังขังสนังกระฉามีอย่าเพียงแลลึกเฉยแต่ลึกเอาเป็นคติตัวอย่างเอาเป็นเนติแบบฉบับสาวพวกทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นคนเหมือนเราหรือท่านเป็นตบเทวบุตรเทวดา ม, มาจากไหนท่านเป็นคนเหมือนเราบางท่านบางอมก็มาจากสกุลละเอยียดอ่อนมากทีเดียว สกุลกษัตริย์หาความทุกข์ความลำบากในส่วนร่างกายน้อยสมบัติเงินทองเต็มไปหมดอันซาระออกมาเห็นของเหล่านั้นเป็นของเศษของเด่นไปเลยบางท่านบางองค์ก็ออกมาจากเคลนาบดีรวมผีพ่อค้าเศษถีบทั้งที่ท่านเหล่านั้นะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ทั้งยถาบรมดาศักดิฐานะ คามมั่งมิ่งท่านทาํามทัานทิชั่ละสิ่งนั้นอองมาปฏิบัติธรรมจนเห็นธรรมแล้วปรากฏเลื่อขึ้นมาในขณะเดียวกันท่านก็ทราบสิ่งนัหนแบบมันเป็นเศษเป็นเลนเท่านั้นไม่เป็นของสาระสําคัญยิ่งกว่าธรรมจนเไ่้บรรลุธรรมขึ้นมาองไหนยอยู่ในสกุไลไในก็ตามเมื่อได้ออกมาบวชในพุทธศาสนาแล้วท่านต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติความ มีความภาคเปลี่ยนแม้ตั้งแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินมาท่านก็ละความเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกจากธิยามายากและความรู้สึกภายใน จ, ใจิตใจมาถือว่าจนเป็นกรรษัตริย์จนหมดไม่มีอะไรเหลือมีตั้งแต่เพศนักบวชที่จะประกอบความภาคเปลี่ยนเหมือนกับพระทั้งหลายท่านปรับตัวของท่านลงได้ขนาด น, นั้นท่านจึงสามารถเป็นเจ้าปราบขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา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 แล้วจึงไม่นําสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจอีกนอกจากเมื่อสลัดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่พระศาสนานี้นยึดธรรมเป็นหลักหน้าที่การงานที่เคยทํามาแบบโลกโลกนั้นสลัดปัดทิ้งหมดมีตั้งแต่งานของของพระงานของธรรมเรียกว่าสมณะธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นโดยท่ายเดียวผมไหนที่ไหนไปเพื่อปฏิบัติตน โดยอดโดยทำยื่นปรากฏผลขึ้นมาอยู่เสมอไม่ขาดวักขาดตอ อ, องค์นั้นสําเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นเห็นในเขาลูกนั้นในป่านั้นในถ้านั้นในเงื่อผานั้นเนี่นนยสาเร็จอยู่เรื่อยๆเพราะท่านทําอยู่มาอยู่ผลจะไม่ปรากฏขึ้นได้ยไอย่างไรเวลาพัฒนากันก็มีสันเลขาธรรมเป็นเครื่องสนทนา สันเลท่านเรียกว่าสันเลขกถาแปลว่าการกล่าวหรือสนทนากันเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความถอดถอนสันเลคะขัดกล่าถอดถอนกิเลสเรียว่าสันเลขะธรรมหรือสันเลขกถาถ้ามีแต่ธรรมก็เรียกสันเลขะธรรมถ้ามีการกล่าวด้วยเรียกว่าสันเลขกถาแล้ว่าการกล่าวถึงนี้ทำเครื่อง ธรรมรักพิเดชทั้งหลายมีอะไรท่านกล่าวในข้างพุทธการมีหลักๆของการกล่าวของสมณะ ม, มีเขตมีแดนในข้อที่หนึ่งพากัรฟังให้ดีเราเคยพูดมาสี่ครั้งสี่หนแล้วแต่ว่าพระเอามากันอยู่เรื่อยๆพูดที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็อาจม่อปิชาตาเป็นผู้มีความมาักน้อยนั่ไม่ได้สอนให้มักมากนะั้น วัตถุต่างๆราษกรบูชามีอะไรมากอย่างไรก็ตามเอาแต่เยียงน้อยเท่านั้นนี้เป็นอันนี้เป็นเยี่ยมสันตุฐีคือความสันโดษนี่ลดกันลงมาตามมีตามได้ใช้สอยบริโภคการ ม, มีการเกิดไม่วุ่นวายไม่รบกวนประชาชนยากิมผู้ใดทั้งสิ้นบริโภคใช้สอย ตามสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นด้วยความทอบธรรมเท่านั้นนี่ลดดอนลงมาจากอปิจตตาความพูดเดี่ยวเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยวิเวกตาข<อ>้อที่สามชอบสังกษังกษ์ทั้งสถานที่อยู่สังกษ์ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นนรสเครื่องสังกษทั้งใจคือสมกับคําว่าสมณธรรม บำเพ็ญตนเพื่อความสงบสงัดจิตภายในใจิตใจใจไม่สง บ, ใ จ, สงบใจไม่สงัดหาความสุขไม่ได้เพรามจรงต้องพยายามตะล่ำกระแสจิตลงด้วยความท่กเพียนมีความสงบตัวได้ก็เป็นความสงบได้และมีความสุขนั่นะท่านวิเวกตาวิริยารมวิริยรารมพาประกอบความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอ น, นั้นอีัตต์ต่างๆ ยว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมีความเพียรมีสติเป็นหลักประจำในยาบทต่างๆเรียกว่าเป็นความเพียรในทุกียาบทนัมีท่านวิทยารำพาปรารบความเพียรหรือประกอบความเพียรอาศังสคณิกาไม่คุกคีกับเผื่อนกับฝูงซึ่งเป็นเพศเดียวกันตลอดถึงประชาชนศรัทธาอะไรก็ตา่าง ภาสังสกัดิกาไม่พูดขึ้นตีโมงกันอย่นี้ก็ศีลยามนำมัดระวังศีลของตนยาให้ด่างพร้อยทะลุขาดไปได้รักศีลเหมือนกับรกักจิตใจของตอนเองศีลกับธรรมก็อันเดียวกันธรรมประเภทอยากท่านเรียกว่าศีล เัาจะต้องบังคับกันทางกายทางวาจามีใจเพื่รับผิดชอบสมาธินี่กล่าวถึงความสงบสงัดของจิตใจมีหลัสันติทกแบบัตถแกล่าวว่าเป็นนำนําัวหน้ากับปัญญาสนทนากันกล่าวกันถึงเรื่องปัญญาใครมีความมีอุบายีอบคาตการใดบ้างเล่าสู่การฟังสนทนาึ่งกันะกันไม่ว่าสมาธิ ประเภทใดก็สนทนาซึ่งกันและกันที่ได้สองน้องได้หนึง่งต่างคนต่างได้อุบายจากกันแต่สนทนาเรื่องสมาธิสมาธิของผู้ใดเป็นมีอากัปกิริยาอย่างไรบ้างเพราะอุบายแ ห, ห่งจิตที่จะสืกผลตนให้ได้รับความสงบนี้มีต่างๆกันโดยอุบายตามจดิติสายของผู้ที่ชอบแล้วสมาธิมีอาการอย่างไรบ้าง สนทนากันตันยามีความฉลาดแหลมคมขนาดไหนลึกตื้นยาลละเอียดกว้างแคบขนาดไหนของแต่และนารายละลายนํามาสนทนากันเพื่อเป็นคติเตือนใจหรือเป็นเครื่องประดับความรู้ต่อแก่กันและกันจากนั้นก็พูดถึงเรื่องยิ้ ม, มูดความดุพจน์เป็นสิ่งที่มีความขยุ่มยื้งย่องมากเป็นยอดของความปรารถนาซึ่งเนื่องมาจากเบื้องต้นตั้งแต่อปิชาตาจนกระทั่ง ถึงปัญญาแล้วกับวิมวิมุดือเมื่อปียานัทสนะากาถึงเ่ความรู้จรแจ้งความบุตรพ้นของตนนี่เรียกว่าสันเลขาธรรมสิ ก, กาาที่นะักบวชทั้งหลายในข้างพุทธการท่านกาท่านสนทนากันท่านสนทนาเป็นอัตเป็นธรรมเป็นกาเลนะธรรมะสากัะฉา คือเป็นการเป็นสมัยและก็เอตัมมังคลมามุตตังมังเป็นอุร ม, มงค์ชนแต่คู่สนทนาทั้งสองฝ่ายนี่สาระในพระธรรมท่านสนทนากันแต่ข้างบุระการไม่มีการเมื่อบ้านการเมืองการได้การเสียยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกสงสารเหมือนกับนักบวชเราทุกวันนี้ซึ่งในปากให้มีอะไรไม่เข้าใจไม่มีเลยมีตั้งแต่โลกรวมล้วนระบาสมาฟังไม่ได้ แล้วมันจะเข้ากันได้ไหมกับพระพูทธกายเมื่อเป็นเชนั้นมันก็มีแต่ชื่อดชื่อนักบวดว่าทรงศีลก็ไม่สาดศีลไปได้แค่ไหนเป็นไปอย่างไรเพราะคำพูดก็ไม่ได้ทั้งรวนมศีลจะไปแค่ไหนมันยังไม่มันไม่กลาเป็นศูนย์ไปตรงเมื่อไรก็ไม่รู้ศีลกับศูนย์ใกล้ๆกันแล้วจะเอาสมาธิมาจากไหนเมื่อไม่ แม้ตั้งแต่ความปลารคถึงสมาธิก็ไม่เคยปลารคเราอย่าอย่าพูดเลยว่าได้บำเพิญสมาธิด้วยวิตตะภาวนาเราจะเห็นผลที่ไหนหายุ่งเหยิงวุ่นวายเปในสิ่งที่ไม่เข้าทาเข้าทางทางที่ท่านให้เดินไม่ยอมเดินงานที่ท่านให้ทำไม่ยอมทําทําแต่งานที่เป็นค่าสิทิ์ที่เป็นการฝืนทำมันเป็นค่าสิทิ์ต่อทำอยู่เป็นประจํำนิสัยประจำเอยาบด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 ประกอบทําขึ้นจนปรากฏเป็นผลที่พึงใจขึ้นมาเป็นลําดับลําับเรียกว่าอัตต า, าสมบัติจะเป็นสมาธิสมบัติก็าตามปัญญาสมบัติก็าตามจนกระทั่งสิ้นมื้อปิดสมบัตินี่เป็นคุณสมบัติที่เป็นที่ภาคภูมิใจซึ่งเกิดขึ้นมาจากการประกอบความภาคเปียนทั้งหลายอแต่นู้นละอภิชาตานัน่นแหะเป็นเครื่องชําระความมากเป็นค่าสุด ก, ก, กันกับม่เหตสตามหิสตาหมายถึงความมากๆ เรือยมาเป็นน้ำหนักท่านสอนว่าอย่างนี้วิธีการแก้กิเลสเพราะกิเลสมันมันทอบขัดกันมันทอบแย้งกันกับธรรมเช่นอย่างสิทธิรรมสิบประการนี้ธรรมท่านสอนอาปิดชตากิเลสมันบอกให้ได้มากๆตายเราเอาสมบัตินั้นมาเผาเจ้าของมันยิ่งถอดมีกองเงินกองทองสมบัติอะไรก็ มาเผากันนไม่ต้องไปหาผื่นกิเลสมันชอบเนี่ยมันขัดกันอย่างนี้กับกิเลสกิเลสต้องขัดกับทำเสมอแย้งทำเสมอต่อสู้ทู่ทำเสมอถ้าจิตเราอยากเราชอบในสิ่งใดพึ่งทราบเถิดว่าจิตนั้นเป็นไปกับกิเลสแล้วถูกกิเลสจูงจงมูกไปแล้วแล้วมันจะขึ้นเขียงจับยำเท่านั้นเองนอกจากจิตได้กล้าเข้าสู่ภูมิอัดภูมิธทำพอเป็นที่ไว้ใจได้แล้วดําเนินตาม เรื่องของตนรู้เหตรู้ผลรู้อัตลุกธรรมรู้ดีรู้ชั่วภายในจิตทั้งตนอยู่โดยเฉพาะเฉพาะนั้นเป็นอีกแง่หนี่งจิตถึงขั้นนั้นแล้วต้องต้องเป็นความอยากในการทความอยากในธรรมเป็นมากไม่เหลืเป็นพิเรศเหมือนความอยากแบบโลกทั้งหลายอยากกัน <c oughs> เห็นท่านว่าพิเรศต า, าท่านสอมนมาให้ชอบพิเรศ กิเลสมันชอบเปลี่ยนกลดวุ่นวายถ้าฐานที่ใดคนหนาแน่นเป็นที่ชุมนุมเป็นที่เอกยเคือเทหาแล้วกิเลสมันชอบให้ไปที่ไหนแหน่อย่างมันขัดกันอย่างนี้แต่วิเวกตาได้ยังไงวิเวกตาเป็นเรื่องของธรรมเรื่องความชอบความเปลี่ยนกลดวุ่นวายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสวิญยาลัมพาประกอบความเพียนเรื่องของเจตมันมากูุชิตังประมาจเรียงเพราะอันนั้น ผู้ที่ตังหินน้ำวิเดียร์มันขัดกันผู้ชื่อตังหินน้ำวิเดียร์แต่ว่าอะไรแล้วผู้มีความเพียรอันไรเลวๆนะฟังสิคือความเพียรไปในทางทิ่เวลวนั่นแหะความเพียรทั้งชิเิตมันเพียรให้เลวไม่จะเพียรให้ดีมันผิดกันกันกบวิรยิยลํมพาขัดกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงเรื่องหิมูดขัดกันอยู่ทเหมอเมือสัองเกตให้พึงทราบมาเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องต่อสู้กับธรรมขัดกับธรรมแย้งกับธรรมเสมอแล้วให้พึงสังเกตในความรู้สึกของตนแม้มันจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจะชอบมันก็นตามให้พึงใ ช, ช้สติปัญญาพิจรารณาถึงความชอบของตนเองมันเป็นธรรมหรือไม่ถ้าไม่เป็นธรรมแล้วแต่ก็ต้องทราบชัดในขณะเดียวกันว่ามันเป็นยิเละแล้วให้ฝืนทันที สลัดทันงทั้งที่อยากบางทั้งที่เสียดายเพราะความอยากเป็นเรื่องของกิเลสความสนยายเป็นเรื่องของกิเลสความสลัดออกจากสิ่งที่เสียดายสิ่งที่อยากนั้นเป็นเรื่องของธรรมเราจะดําเนินตามพระพุทธเจ้าเราต้องสลัดฝืนต้องฝืนใจไม่ฝืนได้หรือไม่ฝืนไม่เรียกว่าต่อสู้กันต้องเป็นฝืนถ้าเราคล้อยไปอย่างอย่างนี้ไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติไม่เรียกผู้ฝืนกิเผู้ปราบปรามกิเลสผู้ต่อสู้กิเลสผู้จะหวังเอาัยชนะกิเลสต้องเป็นผู้แพ้เสมอไป ไม่เข้ากำลังทำที่ว่าต่อสู้ต้องให้ทราบตัวเสมอ แ, แล้วได้ยินแต่ข้าท่านท่งนนั้นสาเร็จโสดาท่านนี้สาเร็จสกีตาคาท่นนั้นสาเร็จอนาคาคาท่านนี้สาเร็จอรหันอรหันรหัสอยู่ในที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นมีเป็นผลของท่านที่สำเร็จขึ้นมา ขห่ความเพียนทั้งท่านเป็นอย่างไางความเพียนซึ่งเป็นตัวเหตุกับข่าวขาวความเพียนที่เป็นตัวเหตุกับขาวผลที่ท่านได้รับมันก็กลมเกินกันไปท่านถึงได้รับแบบนั้นเระฉะนนเราต้องมองดูทั้งเหตุมองดูทั้งผลต้องการผลแล้วต้องบำเพ็เหตุให้ดีเห็นเราดูผ ล, ลไม้ต้นนี้หรือไม้ต้นนี้มันมันชอบปุยอะไร อะไรเป็นอาหารของมันที่เหมาะสมกับมันอันนี้แสดงผลออกมาให้เป็นที่พึงใจกอบเจ้าของเราต้องคิดอย่างนั้นเรามามองดูตั้งแต่ผลอย่างเดียวโดวยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะทำให้ผลมันต้้งมูลพูนสุดพูนผ ล, ผ ล, ผ ล, ผลมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องมองดูทั้งเหตุปุ๋ยของมันมันชอบอะไรแล้วรักษาให้ดีจะให้เป็นอันตรายต่อมุจจากสิ่งใด มีใจของเราที่จะต้องคืงเราจะต้องการผลจากใจอยู่แล้วมีอะไรเป็นค่าสื่อของใจมันพยายามกําจัดตัวแมงสําคัญมันกัดอยู่เรื่อยราคะก็กัดโทสะก็กั ด, โ, กดโมหะก็กัดความที่เกียดอ่อนแอมันกัดความพ้อถอยมันกัดมันมีอํานาจวาสนาน้อยมันกัดสามารผลยุทานหม ด, หมดเขตหมดสมัยแล้วมันกัด มีแต่เรื่องกัดเท่านั้นตัวแมงอย่างนี้นี่ยแมงกิเลตมันเป็นอย่างนี้พ่อแท้อ่อนแอกัดอาจจะเดินยังกลมนั่งสมาี่ทอนนาเหมือนจะเอาเข้าแสดลังก์เอาไปฆ่าไปประหารชีวิตมันกัดอยู่เรื่อยอย่างนี้ลงในหมอนแล้วไม่รู้จักตื่นมันกัดแล้วทราบว่าตัวแมงมาอยู่นั่นหลักพานในจิตใจมันแทรกมันสิงมันกระซิบกระซาบมันซึบมันซึมอยู่นั่น ตลอดเวลาเพราะมันดูกระปิดมีเราพยายามกำจัดมันออกด้วยวิธีการาต่างๆเราจะได้เห็นทำดวงล้ำเลิดภายในใจิตใจเพราะความภาคเพียนของเราความต่อสู้ของเราเบดอมต้นก็ต้องยากลํำบากยากก็ยอมรับกันไม่ยอมถอด ย, ยอมรับมายากมาทุกๆหน้าผีกันงานต้องมีลาบากเหมือนกันเพราะคําว่าทำแล้วดีเฉยไม่ได้ต้องมีความเคลื่อนใหม่การประกอบความภาคเพียนก็มีความเพื่อนไหม่ เป็นความลำบากเอาให้จนถึงผลเป็นที่พอใจเยสเป็นสิ่งที่ฝุกได้ถ้าฝึกไม่ได้พุทธิย่างไม่สอนสไม่เคยได้เคยอาจเคยทาแล้วมันก็เหมือนกับยากกับผีตัวนี้มันจะมีอาจมีทำมีเหตุมีผลมาจากไหนนอกจากให้ได้สมใจตัวเองเท่า น, นั้นมีคือเรื่องของเกเรล้นล้นพนายในจิตใจไม่มีทางเขาแทรกเลยเป็นอย่างนี้ผลที่แสดามาจึงหาความสุขไม่ได้สำหับตัว ตัวเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเขาขกระทบกระเทือนไปหมดเพราะหนาทงกิเลสของแต่ละคนคนที่มันเท้ากันเพราะมนุษย์เหล่านี้มันเป็นสัตว์หมู่สัตพวกมันอยู่ก็ดลบังตนเองไม่ได้จึงต้องอกระทบกระเทือนกันเพราะหน้าความเป็นแห่งความเป็นภัยพันธุกิจใจละบาออกต่อกันละกันเมื่อเพึกขัด ดูโดยสม่งเสมอไม่ลดละสิ่งพยศทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องลดลงไปได้โดยลํำดับเพราะอํานาจของคำท่าเพียรขอลเรานั่นเองหยุดไม่เคยสงบได้ก็สงบอเพราะรักษาหนินะมันจะไปไหนสงบได้เย็นใจได้สมาได้เพราะเพราะการรักษาการบํารุงด้วยความเพียรการพยายามรักษาวิถีจิตที่มันคิดนี่เงี้ยต่างๆอันเป็นภยัยไม่อยอมให้คิดถาจะคิ ด, คดให้คิดนี่ทำในธรรมนี่เดียว บังคับเป็นอย่างหนี้งวเดียรมันก็ค่อยจางออกไปจางไปจาง ก, ก็ได้รับความสงบพอามใจสงบแล้วจะเห็นคุณค่าแต่พยายามเร่งคุณค่ามันมีเพียงความสงบเท่น า, มมมานั้นความสงบมากเท่านั้นขึ้นเป็นคุณค่ามากกว่านั้นอย่างหมีพูดถึงเรื่องการเล่นความภเพียรพูดบ่อยๆนี่แต่ต้อไม่พูดทุกอบโสดละ แ, แต่เหมืนก็ว่าบ่อยขึ้นะ เวาท่าพูดไปาผัดท่านูมาก็เนี่ทาตาทั้งใจพูดนะพูดถึงเรื่องการที่จะแก้ไขจิตใจมันลาบาแกแค่อะไรไม่ยากที่ผมแก้ใจคนประมาณน้นานาก็ภาวนายากเวลาปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะปฏิบัติให้ถูกต้องก็ลาบากยากผู้แก้ที่จะแก้ให้ก็ยากเพราะไไม่มีอเอาก็พูดไปแล้วพูดถึงเรื่องความเป็นท่ไว้ใจพูดถึงะไรพูจ พิจเท่างานยนอย่างนี้นงงอ้าวเป็นไงว่ามันเป็นไงให้เป็นให้รู้อ่ะพิจูถ่าจะแก้เองว่ะนี่นี่ไม่นานนะงั้ น, นไม่เลยแปดสิบนะเนี่ยยันไม่เลยพูดยันฐานอย่ันแม่นยาพูดง่ายพูดยั ง, าายงยิ ง, ง <c oughs> แน่ใจมนันนับข้อมือแล้วนี่กต่เท่านั้นแหละทำนั้นหนักะะกี่ปีว่ะนี่เปนปุ่ม ไม่ได้ยิไม่ตรงขาเลยแล้วพอเริ่มเป็นท่านั้นเองพอเริ่มเป็นทําไมฉันพูดไว้แล้วพูดอีกด้วยซ้ํานี่โลกครั้งนี้เป็นขั้งสุดท้ายของผมแม่ไม่มีทางหายจะตายนะทา่านั้นเปขั้งสุดท้า ย, ยาไม่มีทางหา ย, ยาแต่ไม่ตายง่ายนะโลกนี้โลกทรมานโลกคนแก่ทันวลาเอง ไม่ลืมแล้วผมมันฝังตับอกแล้วล่ะท่านก็เป็นดูธรรมดานนะี่ะมันยังไม่มากมายแล้นะพอเป็นพอเริ่มเป็นธรรมดาธรรมดานี้แต่ท่านบอกไปแล้วนี่คราวนี้ไม่มีความหมายยาอะไรมาแส่มันมีความหมายแล้วเนี่ยนจะไปขา่เดียวใครจะเป็นดดน้ำพรวนดินต้นไม้ี่มันตายยืนต้นนึ่งแล้วเห็นกลีด อ, อกออกใบออกผลได้ ย, ไยังไงนี่มเหมือนกันยังแต่มันไม่ล้มเท่านั้นแหละสิ มันฟื้นมันฟื้นไม่ได้เดินลมหายใจนั่นเองเพราะนั้นานถึงสนใจกับยาแล้วก็เป็นอย่างว่าแปดเดือนกว่าท่านจะขึ้นท่านก็เริ่มมาเดือนผมจําไหมาต่เดือนขั้งขึ้นขึ้นทุกสี่ค่เพราะผมวันแรกวันหนึ่งผมมาท่านผมก็เริ่มเป็นไม่จะมาตั้งแต่วันซืนแล้วชมาฮาผมออกจากอําวันนี้จะปุมโน้มันทุ่งเชือก เขาหนไปกลางนิมิตการท่านเพราะนานเป็นเดือนกว่าแล้วไปเข้าการเรียนมัน่าจะไปนานทั้งหลายครั้งนี่ไปทางไหนล่ะโน่นอะคราวี้จะผูกบ้างเอาจรอาจริงนะดีนขมาแล้วันนี้มาค้านีกับผมก็ไม่ได้มาร่วมเนี่ยเพราะมันไปขึ้นการล้นจำหน้าเรขึ้นสามข้ามเดือนสามถึงวันมาข้ามก็ไม่ทานบ้านถึงพุ่น เรือขั้มหนึ่งเดินสี่ขึ้นมาถึงนัท่านบอกท่านเริ่มมาสมามาตั้งกัวก่วันซื้อนะมาวันซื้นก็มาถึงขึ้นที่สี่ขา้มเดินสี่นั่ผมจำได้ไม่ลืม้าไปดูไปทิ่งก็จะสร้างกันที่หลาดมันเป็นที่สี่ 4, รัร้มเลยสี่สองศ๙๒ตะยแล้วท่านก็กมาเร่งวงไ้วันที่สิบ พฤติกาผมนำดูตั้งแปเดือนโรคนี่นาตายง่ายโรคพลลมานโรคคนแก่ทมานายอย่างังว่าสมานอาจริงเวลาท่านอายมันเป็นมันโลภท่านอายความดึกนวามเย็นๆเหนียวอายหนาะตุเล็กต้องสารต่างๆนะผมอย่างนี้อมุงกับท่านเลยประจำ กคือผมต้องคอยตอนวันนั้นมือเพื่อนช่วยเพื่อนมือเพื่อนพระเองก็ไม่ได้เข้าหลายองค์นะพระไม่ได้เข้าหลายองค์นะต้องเป็นผู้ที่รู้จักปฏิบัติต่อท่าน ส, สามองค์เท่านั้นแต่ตอนต้องคันน่าจะเป็นผมเสมอเพราเราเองเราก็ไม่ว้ใจผู้ใดยิ่งกว่าเราจะว่าหวดดีก็เหมือนแต่เป็นอนะครั้นแต่เราไม่เคย คิดบบว่าเราปวดดีคือนไม่สนใจเรากลัวจะไปทำมาท่านอะไรไม่สะดวกขาดอัยพสายของท่านพ็พูดก็เราเกี่ยวข้องคนโง่กมีคนฉลาดก็มีท่านเาต้งตัง้งให้ระมัดระวงังไม่อยากให้เข้าไปเกี่ยวข้องกางคืนตลอดลุ่มเลยผมไม่นอนเลยนะอยู่กับท่นเวลาท่านกำลังมากๆผมไม่ได้มีอะไรอยู่ในมุ้งเลย ก็ท่านเป็นประกันมุ้งก็กว้างหน่อยคำนีมาท้ำปากกว้างขนาดนี้ทุนมพนลขนนั้นมันจะหมดนะมันเลยมาหรือเราเขาไปกว้างคอลาคอล่างมันมีห่อไม่ให้มันมือเราถูกเราหขอกว้างออกมาเราทาเอง ภัสาวกับผมเป็นคนทำเองปัสาวะทำผมเองมีกระป๋องผมเป็นคนจัดการวิงทำเองผไม่อยากให้พระนิรันดา์เตือนนะว่าเป็นรับของท่านเพราะเราเคารพท่านบางกันเป็นริงจะมีองค์หนึ่งเขาไปเกี่ยวข้องทีมห้าผมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยผมลับผมต้องหอนท่านขนาดนั้นผมทำเอง ถ่ายอะไรมานี่ผมมือกรอบเลยเาแต่ก่อนไม่ไม่ไม่ไ ม, มีอะไรแผ่นพลาสติกขเติดกัยงทุกวันนะอึมถ้าพันมีกระดาษอะไรอย่างที่ถ้าพลาสติกขึ้นเติอย่างนี้มก็สะดวกแต่ก่อนไม่มีแล้ว น, นี่ <c oughs> เราก็กรอบไปเลยแล้วมาลองเราก็กรอบกรอบเสกระตุนก่อนเลกระตุนพอเยืน่นไปกนตก้จัดการเองผมตึ้งรู้จักอยู่ในวิทยาท่าน เดีวกทาโดยเฉพาะพัดงไปพวกผูรอยเขานั่งนงินรับปุ๊บย้อนปุ๊บไม่ว่าอะไรแล้พุงไปทางนั้นงละ ป, ปอยู่ข้านอกมีเยอะแต่คข้าข้างในมีแต่เราเวลาจาเป็นจริงของนีไม่ได้หรอกมันมากครับเป็นเองนหัวใจอของมันหนีไม่ได้ในหัวใจสี่ห้าคืนชวนท่านไปตะกุนเนาะโหระดับี หลังผมเหมือนมันจะแตกนะเดียวหลังมันจะแตกผมก็มอบกับท่านเมือนนั่นเป็นแล้วก็เป็นมันเถอะเพอานั่งตลอดรุ่งตลอดุ่งกลางคืนกลางานผมยิ้มเลยพระเพราะกลางวันท่านก็ค่อนส้สงบกลงคืนเนี่ยนคนเลิกสม่ทำลบากงคืน่งทิ้งๆเลยคิดถึงอัน ลังคือต้ท่านมีลักษณะ้งบางเบาพยังนิ้งเบาลักษเป็นครางแต่ท่านจะให้กลางเหมือนทั้งหลายเราหนูไม่ีละทั้งนมันมันเป็นลักษณะเหมือนกัทาครางมันทำให้คิดนะแต่ไม่คิดมากนะ หักรู้เจ้าของค่างนั้นรู้พราจิขั้นนั้นมันก็เป็นขั้นที่กลังชนมุนวุ่นวายสแล้วหมุนทั้งวันคืออยู่แล้วภาวนาี่่จิที่เป็นอย่างนันท่านเคยบ้างไหมนะถน่นิะเวลาีลกะท่านเคยบ้างนั้คิดคิดมาเนนึง ก็หนาบทันทีเลยนะความคิดต่ตอบแต่จำได้ความคิดอันยิ่งรลอเมืนความคินี้เป็นภัยต่อเราเป็นภัยต่อท่านไม่ดีปราบทันทีพอแย็บบอกคิดเท่นั้นนะไม่คิดต่อไปเลยเพราะเราเชื่อท่านร้อยเปอรเซ็าไปสงสัยหาเรื่องอะไรนะของกิเลสมันทำไมไว้หน้าใครแหละมันจะต้อง สอมาถึงได้เึ่นลักษณะที่ขังเี่องของกิเลสเรื่องของโง่เรื่องของเขาไม่รู้ความกินของท่านจนท่านหลังจากนั้นไปแล้วท่านเนมาหน้าภาพผ่านไปเรื่อเราปฏิบัติมันค่อยๆเข้าใจพอเข้าใจท่านโอ้โหตายโอ้โหคิด oh, oh, อย่างเพลิท่านเคยร้อยเปิดเต็มมันเกี่ยวข้องอะไรกับ ท่ามดันขันที่เป็นตัวสมมุตินั่นเป็นสมมติโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันมีอะไรกับสมมตินานที่มันยังไม่ทันทีขอกระมาโทษท่านลงใจปุ๊ลจะขอมาโทษทันทีเพราะเราจับไปแล้วในความคิดนี้แต่ก็รู้สึกว่าหายไปทันทีอันเพราะคำพอมาคิดตั้มมันก็ไม่คิดไปเจรนาจริงจริงในตังอะไรนั่นคินิด แล้วมันก็รู้ด้วยมันก็ปราบเป็นทันทีเลยด้วยแล้วก็จาไม่ด้วยพอพอเราเข้าใจความจริงแล้วเราก็ขอขมาท่านยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ถูกกล้าด้วยตาไม่ใสครับมีทีเลศนะขอเนาะละทุกสิ่งทุกอย่างขอคหามแม่บูชาโหนิสิตโหจิกรรมให้อะไรก็แต่รู้สึกว่าราบไปเลยอหะไม่มีเลยที่เหลือก็มีเพียงแองมาเน่ย ผมยังผมยังแน่ใจผ ม, มนะว่ากลางนี้ยังมีอยู่กับผมห ม, มาเพรมันขึ้นแดงเลยแล้วเข้าใจว่าเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ของคนมือกินไหล น, นี่นั่นท่านพูดท่านไม่มีกินไหลท่านพูดมาใครมานี่มาแบบไหนนี่เหะอ ม, มาแบบหมาหรือมาแบบพระวะฮะ ม, มือท่านหานตอนที่พระมันจะเล่าลง ม<ย><ง>ารูันสายงไปแล้วเอาสดชนเอาเอาอิขท่านไปตำจนเป็นผงผ ส, สมกับผมอะไรต่ออะไรแลปันเป็นลูเกเล็กๆน้อยๆขา ย, ยานีเล่เให้าทานฟังฮะเป็นทันทีตังเล ย, ยหน่านีแ้แทนที่จะไปที่อื่นไม่ไปแล้วทงนี้เออพวกนี้มาแบบไหนกันเหรอมาแบบหมากันเหรอครับกัดถาแท้กระดูกขั้งแต่ นี่มาแบบหมาหรือแบบไหนกันแบบมาแบบหมาหรือแบบท่าละนะเล่นเหมือนตอนทีบบเอเราก็ตอบภายในจิตมาแบบท่าเราเข้าใจว่าบริสุทธิ์มันเป็นที่ระลึกนี่นี่ใจเราบริสุทธิ์ระว่าถึงจะพูดว่าตัวของบริสุทธิ์คือตัวทิฏฐิอันหนึ่งอยู่ในนั้นเองท่านถึงไม่ไม่ไม่ไม่ไม่หาเลยอาตี๋ท่านหรือกับผมตัดนานเท่าไหร่ก็ไม่มีทางเป็น ถ้าพลาดได้เลยเหมือนกับท่านติดคุกติดตารางเพราะให้คนอื่นไปนี่เอ้ยนี่ผมจําไม่ลืมเลยนะพราะให้หลายครั้งแล้วผมจําหลายครังหล้วผมนันน่นระยะสุดท้ายนี่ให้เขาไปในอุดร น, นี่แหละมาอยู่นกกักข่าวผมได้สี่ห้าปีไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพราะให้เขาไปเจ็ดวันเท่านั้นนั่นดูสเหมือนกับท่านติดคุกติดตารางเดียู่อยู่กับเราหอมตลกอบอวลในบ้าน <c oughs> อ่าถึงท่านนท่นยูน่ม้นการประทานั่นูกกันหมดบ้าน น, านั่นใส่ตู้ที่เสร็จไปนะ <c oughs> แต่เข้าไปนั่นหอมตลบอบวนแม้แต่คนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องในะในบ้านเขานั้นเ้มันหอมมันละที้แปลกประหลาดเหลือหอมถูกหอมอะไรยื้อมันก็ถอท่บูชาทีการท่าไม่ใช่นะบางคนเ็เถียงนะคือมันเด่นดความหอมนะสำหรับเจ้าของบ้านไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่ พูดเป็นเสียงเดียวกันมันมีใครสงสัยหรอนี่อดีตเป็นผ่านการประทับแล้วใครจะไปแตะน้ามให้ไปให้หายปิ่นซะก่อนเนี่ยเอาไปจากผมเจ็วันนั่นนะเป็นแล้วหอมตลบอบวนผิดเพี้ยนกติธรรมดามากทีเดียวิ่นนั่นก็ไม่เลยเหมือนกลิ่นธรรมดานิ่อัปจันทร์นั่นแหละหลังนั้นใครก็ แต่กล pues hmm. ิ like like ่นเหมือนกันหมดเลยมันชัดเจนเลยเกิดเหมือนกับกลิ่นดอกไม้ถุกเกินจริงเลยแต่นี้ม่ใช่กลิ่นอันนั้นอัน้ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้สุกเกินกลิ่นอันหนึ่งน่ะกลิ่นเหมือนพู้ได้ยิกลิ่นท่าทนั่นแหละวากันเลยเป็นอยู่สิบห้าวันหอมแต่ละวนอยูถึงสิบห้าวันพอหายแล้วแบบประมาณสิบห้าวันพอหายตรงเนี้ยแบบไปเดู กลายเป็นพระธาตเรียบร้อยหมดแล้วเดือนกว่าตอนนั้นนะเป็นพระธาตุโดยสมบูรณ์ทีเดียวแเขาก็รีบมาหาเราเป็นแล้วอาจารย์พระธาตุเรียบร้อยหมดแล้วนั่นแหละเป้ยงั้นนะอยูนผมมีปีไม่ได้เรื่องอะไรเลยนี่ผมยอมรับอยกว่ามีกรรมงผมไม่หายอาจารเขาไม่อายมนี้ไม่หาแต่จะเป็นตัวเป็นกรรมอะไรต่อาจารยยิ่งผนั่นก็่า เราคิดว่าไม่เป็นล่ะเป็นเป็นมนี้ให้เราเห็นเป็นชัดดัดสําด า, ตตตตต น, า, านตัวมีตัวสําคัญแล้วบ้างหมางเป็นยัวไงเป็นแปลกปะหลาดมากนะอดีตพ่อแม่ของอาจารย์การประทานเป็นได้หลายชนิดมากนะเพราะคนในรักอยากเปมากมายเป็นแก้วอะไรสีชุกเขียวอันมินะแล้วเวลาจับยกขึ้นมานี่กระเบาหิวเหมือนกันกับ อคีนี่นเนี่ยพระธาตุก็เบาอคีก็เบาที่ยังไม่เป็นประธาตุก็เบาแก่อนี้ก็เบาเป็นได้หลายอย่างมากก่อนก่อนยังหน้าอาจารย์ละวางนั้นเถอะา น, นผ่ามาท่านพศเท่าไรเมื่อสีเช่ยงใหม่ยึสอ ง, องั่นเป็นเบื้องต้นการยสองแล้วมาเป็นขั้นขาขนเป็นขี้บกขนารถ้าถี่ นัท่านผมอภวรศัพท์ท่านนึงมาเขียนในปริวัติไทนะผมมีผมได้มาเนี่ยนะเขียนไว้เพราะงั้นผมจึงได้เอามาเขียนในปริวัติไทยได้อย่างสบายไม่ทราบไปไหนไม่ทรางนะที่ผมส่งคืนก่อนหนึ่งมะผมมาเขียนผมมาลอกออกนี่เป็นภาษาที่16นะ กันเริ่มจนกร่เริ่ ม, มปฏิบัติมาถึงบรรจาที่หกเป็นเป็นบราที่ท่านร่วงไปผ่านไปได้อย่างท่านจรนารย์โธมงบผมจำได้ั้งแต่ปีที่มาจมํารรจาที่วัดสุทธาวาสท่านมาแต่เช้ามาหลังแม่โครันเราสาม ป, สปีสี่ปีที่นั่นผมจานำ ม, มูลกับท่านปีองแปดสิบห้าจำนำ ม, ม แปดที่สี่ดึงจำมันโคตไม่เลแปดที่สามแล้วแปดที่สามแปดที่สี่ดึงจำโคราชที่จักราชแปดที่ห้าจันโคแปดที่กจำมันนหลกที่แปที่หกท่านมาจากจำใหม่ที่พูธรรมะกันกับท่านมันพูดถึงเรื่องความผ่านพ้นท่านท่านก็ไม่ได้บอกว่าผ่านมากี่ปีแล้วท่านมาท่านพูดถึงเรื่องท่านอยู่จำหม่่ผ่านมาตั้งแ่เกิดใหม่และจากนั้นมาถึงระยะที่ท่านมาหน้าภาพ มันก็ตั้งสลาย28ปีเป็นอย่าง น, อน้อยที่มาทานีเนะพราะฉะนั้นพระธาตุอธิดีการจีนการประธาตได้อย่างวารวเร็ผลกสืบบรดาลูกศิกที่มาจารงเทพพญาเขาสบทามีพยาเอาสีางข้าราย่างนี้ใหได้อธิข้พราท่างนี้นจั ก, การประธาตแน่นอนนะบอกเพราะเคยด้คุณทา่านนนี่นุมนยังไม่ถึงปีเต็มด้วยซ้ำ น, นะนกายประทาตุ น, นะถ้าท่านครองขันมนันนะ น, นี่ก็ขึ้นอยู่กับการคลองคลองขันมานานหรือไม่นานนะตามความเข้าใจของผมคือท่านครองขันมานานความไมู้สึกของใจกับร่างกายที่มันอยู่ด้วยกันใจที่บริสุทธิ์นันก็สามารถฟอกทาห้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ไปกลางส่วนได้ยิ่งการภาว น, า, นาด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นอันดับหนึ่งทีเดียวภาวนาขึ้นเล่อย มีความสงบมกใจกำหนดพิจารนามนนันเป็นเมือนการฟอกภายนตัวแม้เศรษกิจที่บริสุทธ์มันเป็นการฟอกอยู่แล้วแล้วการเขาจะมาพิจารณา บ, บัต น, นี่ก็ยิ่งเป็นการฟอกโดยจงประชาชนถึงผ่านหนะ้าต้นการ์ปภาษาญี่หุ่นเราพวอหัวไม่ทราบภาษาเท่าไหร่หนะคุยกับผมที่ ก็เร็วนะที่บานจุมพลนะ่ะปีนั้นท่านหลงปู่ขามันเปท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่นออกพรรษาเรืออะไรนะไปพ็ออกกำกำเนื้อพ่อันทุยนี่แหละนิมนต์เราหรือนิม น, น, นต์หลองตาบัวเปนะ่าอ๋อนิมนต์ให้หลวงตวบาบัวไปเราจะไป อยูมีอะไรอะไรนี่นี่อยู่บวงตัวพูดอะไมันมีอะไรอยู่คล่องๆใจนี้วันแค่นั้นนะบอกด้วยว่าเราก็จะไปนะนน้นพอไปถึงน้นี่จะนนนนท่านอาจารย์หาเบาเอี่ยนะโมนีนมนแประมาณนี้นะท่านถามถึงการหลวงกะบหลวงพ่อบัวจะไปหรือเปล่าว่างั้นนะบอกท่านอาจารย์หาไปไปไปไปาันงก็ไปแต่ท่านจะหลวงพ่อเป็นคนสั่งจารุติเอง่านกัอยู่หลังนั้นผมอยู่หลังนี้ดู ติดกั บ, um. pues mm hmm. กบรั้วเลยนูนทรายอยู <Yeah. S 1> you ่น right ู่นลึกๆนี่อยู่กลางวัดนู่นเราดูเฉดวัดติดด้วเลยมีพุทธีสองอ่านท่านก็อยู่หลังนั้นผมอยู่หลังนี้้าไปท่านกัูปั้มมาหาเลยแลก็คุยกันสองสามนาทีแล้วไล่คนนีหมดถ้านไล่หนี้หมดเล้วผมก็อขึ้นมาถามผมมามุ่งของพ่อนั่นเนี่ยผมไม่มางานอะไรนะนกอคืผมก็มาเหมือนกันมุ่งคู่จ้านกันแล้ว เอาทีน่น <code word music> ี <Vielleicht in> <city> <tail> ้เล่านะเอาเล่าเป็นยังไงเอาเล่ามาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติที่แรกจนกระทั่งปัจจุบันดับปิดบางเอาเล่ามาโดยลำดับผมจะฟังให้ตลอดวันนี้ผมไม่ได้ยินใจนักกับหลวงพ่อนะผมฟุ้งกงหน้าว่านี้เลยเอาเล่าให้ฟังเอเล่ามาโดยลํำดับมลำดับปลำดับถึงจุดปัจจุบันก็อยู่เอาเล่าไปที่คืดถามก่อนนะพระพระเล่าไปที่ว่า หมดโเนี่แล้วเข า, า เ, ขเข้าใจว่างไหมหมดเนี่ยขาเข้าใจว่างไหมว่างดิเขาเข้าใจว่าสิ่งนีว <c oughs> ้ว่างนกะันไหมแล้วเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วมันต้องสิบกว่าปีแล้วหลังนั้นเราก็เริ่มอธิบายาให้รู้จัเนี่ที่ตายมาบอกให้เลยที่นี่ให้เป็นให้พิจารณาหนึ่งนั่นนั่นนั่นน่ะเอาเลยนะต่อจากนั้นให้เลยาจับให้ดีนะมีสองสองอธิบาย แ, แล้ววันนี้ไม่ต้องไปสวดมนต์ไม่ต้องไป ง, งานน้นให้ภาวนาอาให้มันได้วันนี้รู้วันนี้น่ะมามันเข้าวงแคบแล้วหนึ่นะพอกพูดกันตบเรียบร้อยแล้วไปเลิกไปเริ่มภาวนาตั้งแต่บันนี้ไปนะมาคัําอะไร่างเงี้ยพอคุยกันทั้งวันห้าโมงผมไปถึงมันสี่น ม, ง, นนม ง, งมันจะสุดห้าโมงตั้งเป็นเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงมัน จากน้รากอธิบายให้ฟังเปานเวลานานกันพอถึงควรแล้วพอานาถึงเวลาเรก็ลงเป็นลาพอนนนเราขึ้นมาตอนเช้าผมนั่งภาวนายังไม่ออกจากที่นะม้นงเสียงบันไดก็ก้ากักพอสว่างเป็นบันไดนี่กักลักขึ้นมาไทยนั่นผมเหรอผมพอบัวแล้วอ่ะไท้เอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเพเ่อจะมาเล่าให้ฟังนะ มาถึงปิดพอไปถึงนั่นแล้วก็จับอุบางท่านอาจารย์เข้าปุ๊บเลยทันทีเพ้าแต่ก่อนไม่รู้เนี่ยมันไปเฝ้ากันในนั่งเสียอัว่า้แกสมเด็จเจ็ดสิ่งไปอยู่นั่งเสียพอมาถึงที่นั่นแล้วก็อุบายท่านอาจารย์เขาใส่ปุ๊บป๊เนี่ยโวยไม่นานเลยปรากฏเหมือนกับภาษาทางภาคอีสานียว่าขางกุฏิ คานกุฏิขาดว๊บเพื่อนันทีเหมือนกับวก้นกระแทบดินแรงไม่เจ็บประมาณนัเหมือนกับคานกุฏิขาดลงเอาลงพื้นเ ล, เลยฮึบเทียวเลยแต่กินมันก็ไม่กังวล น, นะเพราะมันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเในขณะนั้นพอมันพึบลงไปนั้นเที่ยวตอนนั้นแล้วนิ่งก็เดี๋ยวกิน พอพอมันหายจากขนานแล้วจิตก็รู้ตัวออกมาข้างนอกมาก็มาดูว่า้มวัคติอาคารวัติุมนพัขาดแล้วก็ไปลงกันทั้งพื้นนี้ลงไปถึงดินนั้นทำไมมันหนิ่ง ด, ดีอยู่นี่มันก็รู้กันบันทีว่าโอ้โนี่มันอาดวิชาขาด <laughs> โอ้โหหแล้ว น, นมันมันพูดไม่ถูกเลย บางนั่นเลนะพอขณะนั้นทํางานลงไปเสร็จสุดลงไปแล้วนะนี่มันเหมือนเราเป็นคนนรกเลยเจ้าค่ะผมไม่นไม่นอนทั้งคืนเมื่อคืนนี้วางมันมันลายมี น, นผมจะรู้เลยเลยผมกราบพระอาจารย์ตลอดทั้งคืนเลยเลยมันไม่ทราบเป็นยังไงมันกราบทูปุติจาระประชามกราบประสงค์กราบท่านอาจารย์ ต, ล, ยยอาายตลอดคืนเมื่อผมไม่นอนมาทั้งเดี๋ยวนี้นะ สมันอะไรเหมือนกบับการตบทภาษาพระเจ้าเราสวยมือที่สุขมันอะไรคุยไม่ถูกอ่ะอัศจารย์ครูบาอาจารย์อัศจรรยพธรรมเราก็เห็นคุณของทางการว้าเห็นจ่างๆนั้นเด่นคือหน้าเรไม่ทำให้าทันเราจมไปแล้วมันไปถึงไหนเ้วเดชะถึงเจงเหมือนแบั้นกาบแบบตามเหมือน แต่ล้วมาแล้ก็ไม่พูดอะไรกันอีกเลยจะมาท่านท่านม่อาผ้าไม่พูดอีกเลยพูดอัไลอีกถึงท่านเหมือนั้านแล้วพูดอะไรไปอีกอไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมให้เป็นประโยชน์อะไรอีกเพราะมัอพอตัวแล้วหมดปัญหาแล้วก็จะเอาอะไรมาพูดอีกผมปู่ท่านนี่เคยคุยกันกนั้นแต่ตอนนู้นก็ไม่เคยพูดกันอีกนะนท่านท่านท่านจไป อันน้องบวลพูไปคุยกันสนุกสองต่อสองอยู่ซียุธีมันนั่งอยู่ข้างหลังว่าโมโหสองคุมเริ่มสองคุมจตั้งหกคุมเราคุยคนเดียวไปแล้วก็เยสามชัโมคือแค่ให้เราพูดแล้วก็พูดให้ไปใถ้ผู้ฟัง เริ่มก่อกากาเลยไปทุกทีทุกทีเป็นยังไงว้าไปเริ่มดันหลักตรมนั้ ง, งหมดความสามารถของเราแล้วเราก็เมาถวายท่านเลยบอกทาา่านอาจารย์อย่าผูกเป็นความเป็นใจครับผมรามันขัดข้องตรงไหนมันไม่ถูกไหนขอท่ า, ทานอาจารย์บอกก็อย่งงางกองกองเลยเอาฟาดให้เต็มที่เลยผอยังหมดความสามารถเท่านี้แหละถ้าติดก็ติดแบบไม่สนใจจะแก้เลยขนาดนั้นแหละหลงก็หลงขนาด นั่นแหละทาก็ไม่คุยมากนะเราก็ไม่หือมไม้หรืออไาสรปเลยเงี้ยไม่กคุยกันมาตั้งแต่สองทุ่มจนกระทั่งถึงหกทุมเราเราสองสามสี่ห้ามันถึงห้าทุมเรืองเราเราท่านอยู่เพียค่โมงเดีวไม่ถึงข้าโมงห หองเรบแล้วมอบกายท่านท่นานจะผกพกมาท่านผูกเนความไปออกเป็นใจไรมาผมเป็นมหาบารยนดดนี่เลยไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์มาไงไม่เป็นปัญหาที่จะมาตีกัรท่านอาจารย์พูดด้วยความสะดวกไม่ได้ไมันต้องเป็นอุปสรรคท่านอาจารย์พูดเลดยยอมรับทุกอย่าง่ะสิ่งที่มันผูกพันกับผมไม่เอาไปแล้วนะ ผมไม่พูดเลยเพการเรียนไม่เป็นเนท่า น, นี้อยแค่นี้อ่ะอติดกระติดแบบเจ้าของมันมีไม่มีความสนใจจะแก้กันไม่รู้ขนาดนั้นล่ะมันรู้จนกระทั่ ง, งมันไปถึงไหนแล้วแหละติดติดอยูต่ตรงไหนแล้วแหละไม่รู้เลยแตว่านอนจ้ากันอนก็นนกนนกเลยเห็นเลยผลนั่นแหละพูดเฉพาะแค่นคนะี้เออ การปฏิบัติการปิดมีมันก็มีเคล็ดอยู่สองสอ ง, สองเคล็ดะไรที่สำคัญหมอตามมาลาภะเนี่ยเค็ดหนึ่งอาวิชานะกัมหาประคุณบางอย่างเนไม่มีที่ห้องใจสงสัยก็แปลว่าถูกต้องเข้าขันได้ทุกอย่างทั้งมดนี่ฉันเยนลยรวบไปเลยผมก็เป็นอย่างนั้ น, นมาดูนก็หน่อ ย, อยเื่องนั้น ไมเลยะออคือไม่ีอะไรข้ขันแย้นกันเรื่องการอุบายวิจารณ์กว้างแคบนั้นมันเป็นแต่อุบายของแต่และ ค, คนแต่ว่ามําคัญที่จุดที่รวมมันเหมือนกั น, น, นถัากระกรดนั่นเลยาั้ไล่าผมผมอนะครับถ้าพูดผมจะถายที่ทั่นเป็น